พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25สิหางหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักความดีและรู้จักหน้าที่ตนเรานั่งประจำที่ลูกหลาน มีอะไรหลวงตาจะพูดอะไรให้ฟังประจําวันหลวงตานะ่ยพูดประจําวันเนี่แล้วละ่ะลูกหลานก่อนที่จะฉันจังหันเน่ยก่อนอื่นไม่มีเวลานะลูกหลานนะพอฉันจังหารเสร็จแล้วก็ต่างองค์ต่างไปประจำที่กุติของใครของเราตอนบ่ายก็มาฉันน้าําจากนั้นก็ทําความสะอาดปัดกวาดก็ไม่ได้เจอกัน เ ว, เวลาพร้อมที่สุดก็คือตอนเช้าอย่างนี้แหละพร้อมที่สุดในวัดของเราถ้าหากว่าไม่มีถ้าหากว่าหลงตาไม่พูดเวลาตอนเช้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะหาโอกาสไหนจะพูดให้กับคณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานพระเนนเพราะพวกพระเนนลูกหลานเข้ามาก็เพื่อเข้ามาเพื่อการศึกษาไม่ได้มาเที่ยวมาเล่นเฉยๆมาเพื่อการศึกษาอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้เรื่อง พระพุทธศาสนาเรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นหลวงพ่อได้ศึกษามาก่อนหลวงตานี่รู้มาก่อนได้ศึกษามาก่อนอก่อนขนาดไหนหลวงตาเนี่ยตั้งแต่ปี2500ลูกหลานทั้งหลายยังเป็นลมเป็นแรงหลวงตาไี่บวช เ, เป็นสมณะชีวิตของหลวงตาเนี่ยฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นเวลาทั้ง60สบกว่าปีแล้วลูกหลาน6กบเปีนี่นะลุกพ่อลูกตาจะหมอบันนานนะลูกหลานบางคนยังไม่เกิดอีกต่างหากและลูกหลานที่เป็นข้าราชการก็ยังไม่เกษียณคงจะไม่เกิดอีกถ้าเกิดก็มันคงจะเกษียณแล้วในชะพอลงตาบวชก่อนพราะนั้นลูกหลานคณะทศไทาญาติยาโยม เขามาวันนี้ก็เออเอาฟังผู้ที่ฟังอยู่แล้วก็เออฟังอีกแนวนึ่งหลวงตาจะพูดอะไรให้ฟังลหลายหอย่างอย่างที่หลวงตาได้หลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อเกิดมานานได้ประสบมีประสบะการณ์มานานาแล้วก็เอาแนวความคิดเห็นต่างๆมาพูดมาเล่าให้พวกคณะสัต ย, ยาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะ แต่วันนี้ก็เป็นที่พอใจเรื่องกระถินสามัคคีของวัดปา่าบ้านตาดนะก็มีผู้อาจารย์เฉลิมกับลูกหลานมัน่ง เ, เฉลิมพลเป็นลูกศิษย์ลูกหาบ้านนาคำน้อยของเราเนี่ยพร้อมกับลูกหลานถวายทั้ง8กดกองนะวนนี้กองละสามพันเป็นเงิน 24,000 ี่พันบาทเดี๋ยวหลวงพ่อจะเข้าบัญชีนะลูกหลาน แล้วก็นางสาวประพัชนาโนมพันอันนี้ก็มาจากทางกรุงเทพแล้วก็ถวายกระถิน่นสมคีวัดประบันตาอีกสองกองนะหกพันบาทและถวายเจดีอีกเจดีหลวงตาสามพันบาท ตามไม่จริงเจดีกับพิพิธภัณฑ์อันเดียวกันนะลูกหลานนะคือกองเดียวกันกองกระถินเดียวกันเป็นนั้นว่าสามกองสมกองกับ8ดกองนะเป็นเท่าไหร่โ อ, โอโ้หลวงพ่อรวยวันนี้นะให้ได้บุญหลายๆนะใ้ได้สัยาญาติโยมลูกหลานนหลวงพ่อรวบรวมน้อยก็จะนำไปเข้าบัญชีลดหย่อนนี่คำพูดหลวงพ่อลงมาเป็นลำดับลาดับนะ แตวันไหนว่างๆหลว ง, วงพ่อจะประกาศให้ฟังว่ายอดกรถินปีหกเท่าไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟังแต่นี้ไม่พูดเดี๋ยวลูกหลานจะลําคานนะศรัทธาญาติโยมผู้ได้ยินได้ฟังจะลําคาญนะจะไม่พูดให้ฟังแต่ผู้อยากจะฟังก็มีนะแต่แตพูดลําคาญก็มีหลวงพ่อก็เลยเอาไม่พูดไว้ก่อนในเมื่อมีโอกาสยังค่อยเล่าค่อยกล่าวอีกเป็นจิตยะลักษณะนะวันนี้เป็นวันศุกร์ ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2560เมื่อเช้าในะเห็นรถบัสเข้ามาเป็นรถนักเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดร น, นักเรียนทั้งครูบาอาจารย์เกือบ50นะที่มาเต็มรถเต็มรถบัสแล้วก็โรงเรียนอุดรพิทย์ก่อนหน้านี้ หลวงพ่อเองก็ได้พูดกับญ า, าติโยมของหลวงพ่อน่รู้จักมกคุณทั้งคุณพ่อของท่านทั้งลูกชายของท่านทั้งลูกสะใภ้ของท่านท่านก็มาเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตานะคุณพ่อของท่านาท่านก็มาเมืองอุดรก็ได้สร้างอาคารอาคารเรียนให้กับหลวงเดนอุดรพิษนะ ลูกหลานคงจะเห็นแ ล, ล้วล่ะลงงนีหลวงพ่อพูดเท้าความหลวงตาหลวงพ่อนี่พูดเท้าความให้ลูกหลานที่นั่งนั่งหลายๆคนได้รับรู้รับทราบท่านเองแต่ลูกหลานอยู่ในเหตุการณ์ลงกหลานรู้แล้วละ่ะอาคารสามชั้นงบกว่าเจ็ดยี่บเจ็ล้านกว่านะลูกหลานนะแต่เตี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้มอบหนะลวงพ่อก็ถามเมื่อวานวันก่อนที่เขามาท่านท่านมานะเปง่าย ว่าโอยังคิดชื่อยังไม่ได้อยู่ก็ไม่เห็นจะรีบเร่งที่ไหนนักเรียนก็ขึ้นไปใช้แล้วนะแต่ว่าปิวิตกอย่างเดียวก็คือท่านพออจะเกษียณเกษียณก็ไม่เป็นไรไปเนี่ยเมื่อเกษียณไปแล้วก็ออกไปแล้วก็ยังเชิญเข้ามาเป็นฝีมือเป็นผลงานของพ่อออย่างเก่านี่แหละแต่ทางนี้ทางนั้นกับทาง ของท่านเองกิจการของท่านเองก็ยังท่านไม่สบายใจนะพูดยังไงบรุง ม, มาตุ่มกันพอสมควรเพราะนั้นไม่ต้องรีบหรอกเพราะสร้างให้แล้วนักเรียนเขาไปใช้เลยตามสบายๆเลยเมื่อไรมันพร้อมกันเมื่อไหร่ปีหน้าฟ้าใหม่นะมีอะไรเมื่อโอกาสมันพร้อมยังค่อยมอบยังค่อยมอบถวายยังมอบให้กับโรงเรียน อันนี้ก็คือเจ้าภาพใหญ่เขาพูดตรงพ่อคับฟังนะแล้วมาเล่าเล่าให้ลูกหลานในโรงเรียนได้ฟังนะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องรีบเพราะไม่ใช่ของเราเป็นของเขาไม่ใช่เงินของเราแต่อยู่ในสถานที่เราก็ดียดดีอยู่เป็นสถานที่ของเราก็ใช้อยู่แต่ว่าเมื่อเขาสร้างให้แล้วก็ต้องควรจะให้สิทธิ์กับเขาเพอเงินไม่ใช่น้อยนะเราจะไปทา ขาดเครื่องคุลข้องมันก็ไม่ใช่เลือกอีกเหมือนกันนั่นแหละทาว่าเขาสร้างขึ้นมาแล้วเขามาเห็นนักเรียนเข้าไปเรียนหนังสือเออเราขูควรจะว่าให้เขาเ น, นี่ยเขากัลปอบให้เรียนตามปกติเพียงแต่ว่าไม่ได้มอบเป็นทางการเท่านั้นเองแหมมอบไป ม, มอบมันก็จะมีปัญหาอะไร่มถ้าเขาไม่มอบเลยมันก็เป็นสมบัติของอรัฐบาลเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของโรงเรียนเป็นสมบัติของ โรงเรียนอุดรพิทยานุ ก, กูลอย่างเก่านะใครจะไปย้ายได้นะ่ะให้ตั้งให้แล้วหมอกให้แล้วนะสร้างให้แล้วนะเอเพียงแต่ไ ม, ม่ได้พูดเป็นวาจาหมอบให้ถ้านึ่งไม่ได้แต่ว่าชื่อก็ยังไม่มีอป้ายก็ยังไม่มีโครงอาคารหลังนี้จะตั้งชื่อว่ายังไงเขาก็ยังคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อยังถกเถียงกันอยู่ปรึกษากันอยู่ว่าจะเอ า, เอา รอเก้าหรือจะเอาชื่อว่าจะไงเขาก็าว่ากันนะหลวงพ่อก็ได้ยินดีหลวงพอมีหูสองข้างจะเป็นลูกหลานหลวงอก็หลวงพ่อก็ฟังฟังมาเล่าเล่าให้ลูกหลานได้ฟังนะสรุปแล้วก็คือแบบง่ายๆแบบกรรมฐานไม่มีพิธีรีดองอะไรเมื่อสร้างแล้วก็คือสร้างให้ ใ, หใช้ให้เกิดประโยชน์เห็นลูกหลานมาหลวงพ่อหลวงตา ก, ก็เลยเล่าเล่า โรงเรียนให้ลูกหลานได้ฟังนะลูกหลานครูบาอาจารย์ที่มาเนี่ยก็คงจะเอ๊ะเป็นยังไงเนาะนะก็คงจะไม่กล้าถามคนอื่นนะอถ้าว่าผู้ใดจะจะถามก็มาถามหลวงตาได้ว้หลวงตาเนี่ยหลายรูหย้หลายแนวห ล, หลายด้านนะแต่หากว่ารู้จึงไหนก็จะเล่าให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังนะเป็นแนวความคิดนะแล้วก็ ลูกครูบาอาจารย์โรงเรียนอุดรพิษมีเจตนาดีอยากจะให้นักเรียนมปลาย ม, มหมหมสกคงจะมีอยู่มั้งนะแต่ตรงตาถามว่ามีแต่มหก ม, ม, ม, ม, ม, ม, มห้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่นํานักเรียนเข้ามาเพื่ออะไรก็เพื่อทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับพุทธศาสนาแตนะ่พวกเราอยู่ในโรงเรียนนะ่พวกเราก็คงจะไม่ได้เห็นอย่างนี้นะที่มานั่งอยู่ใต้ถุนสลาหลวงพ่อนะี่มีพระทั้งหมดเนะ่ทั้งหมดมีอยู่สี่สิบเอรูปมนะันลูกลานแต่ลงมาชั้นมันไ้สาสิบห้ารูปงดชั้นเจ็ดรูปนะที่นั่งอยู่ในสลาณขณะนี้นะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็นั่งนะผู้สูงอายุผู้สูงวัยทั้งนม ลูกหลานเขาคงจะอยู่ในบ้านในเมืองก็เห็นแต่คู่คนทำอกับกิริยาอย่างอื่นทาํามาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ที่ท่านเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยที่ท่านเข้ามาฝึกหัดทางด้านจิตใจดูจิตดูใจของตนเองในตามหลักธรรมธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าบอกคนจะดีแล้วคนจะเร็วเนี่ยออกมาจากจิตใจแต่ว่าพวกเราจิตใจไม่ดีจิตใจ เป็นอันตรพาณใจของเราโมโหโกธา เ, เาเมื่อสั่งร่างกายให้ทำกะทำแต่ความชั่วเสียหายถ้าเราฝึกหัดฝึกหัดดัดนิดสัยฝึกหัดฝึกหัดจิตใจของตนเองแล้วเราไปอยู่นะสถัฐานที่ใดดีทั้งหมดเพราะนั้นครูบ า, าอาจารย์โรงเรียนอุดอรพิษจึงเห็นว่าควรจะฝึกหัดดัดนิดสัยของลูกของหลาน อ, าอย่างน้อยก็มาทัศนศึกษามาเห็น ในการเป็นอยู่ของอประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในระบบหนึ่งอยู่ในแน ว, แนวประพฤติปฏิบัตอิอยู่อีกกิจกรรมหนึ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาเห็นลูกหลานมาเห็นแต่ถึงยังไงก็ตามหลักของพุทธศาสนาพวกเราอยู่ด้วยกันนานอยู่ด้วยกันมากมายไม่ใช่นานทั้งนานด้วยทั้งมากมายด้วย มีทั้งทุกระดับทั้งคนโง่คนฉลาดคนพี่คงคนพิการส ม, มณัชีพรามอย่างลงตา เ, เป็นส ม, มณัชีพรามนะเป็นนักพรตนักบวชแล้วก็ศาสนาก็มีหลายศาสนาอยู่ในประเทศไทยมีห้าศาสนาที่รัฐบาลเขารับรองจากนั้นก็พี่น้องประชาชนก็มีทั้ง ผู้สูงไรมีอะไรอย่างพวกลูกหลานได้เห็นนั่นนหะถ้าปารยยายไปไม่จบว่านี้แต่ที่ยังไงก็ตามทุกคู่ทุกคนทุกวัยอยู่ในเกิดเกิดในพื้นแผ่นดินไทยการอยู่ด้วยกันต้องดูให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมลูกหลานนี่แหละจะเป็นทรัพยากรของชาติต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นลูกหลานที่เกิดมาเกิดใหม่ ให้ดูกันให้มองให้รู้จักคุณพระคุณของผู้มีพระคุณพระคุณของเราคือใครคือคุณพ่อคุณแม่เป็นอันดับหนึ่งปู่ย่าตายายและก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นสอนพวกเราเนี่ยะเป็นผู้มีพระคุณถ้าครูบาอาจารย์ไม่สอนเราจะเรียนรู้เรื่องต่างๆได้อย่างไรแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านจะนานักเรียนเข้ามาสู่วัดวาศาสนา ให้มาฟังเอกคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างน้อยลูกหลานได้มาเห็นแล้วลูกหลานก็จะได้นําหนังสือธรรมะหรืออะไรเข้าไปก็ไปอ่านเออเราได้เห็นจุดนั้นแล้วเราสนใจเราเราสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเราก็จะได้อ่านเพราะอ่านเข้าไปกันนะเป็นสนวนหรือว่าเป็นเครื่องเรื่องแรกที่พวกเราจะต้องอได้ ศึกษารเรียนรู้จากนั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติในเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วจะเห็นผลความสุขกายสุขใจการอยู่ด้วยกันมากมายร่มเย็นเป็นถูกทั่วหน้ากันถ้าหาก ม, มีแต่ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมีแต่เห็นการลำพีงแต่อคติสีอยู่ในจิตใจฉันทากติพ่อรักกัน โทสะคติเพราะไม่ชอบกันพยาคติเพราะกลัวกลัวเขาจะดีกว่ากลัวเขาจะเหนือเหนือกว่ากลัวเขาจะมาเบียดเบียนเราเโมหคติเพราะความโง่ความไม่รอบครอบนี่แหละการอยู่ด้วยกันในลักลักษณะอยู่ด้วยกันมากมายแต่ถึงจะมีอ ก, อกติสี่เพราะเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ควรจะลดน้อยถอย ให้มองไม่ให้มองกันในแง่เหตุแง่ผลาการกระทํของของคนคนนั้นกลุ่มกลุ่มนั้นเขาเจตนาอย่างไรถ้าว่าเจตนาของเขาไม่ดีอมองแล้วเจตนาไม่ดี อ, อันนั้นควรจะลงโทษตามสถานะที่มันผิดพลาดที่มันผิดนะแต่กาเจตนาดีแต่ว่ามันผิดพลาด อันนี้เราก็ควรจะให้อภัยในในระดับหนึ่งนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามองเจตนาเป็นหลักนะลูกหลานคณะสัตยาธิโยม เ, เจตนาหังพิกขเวกัมมังวดามนะิถ้าว่าเรามีเจตนาจะเบียดเบียนหรือจะฆ่าคนอื่นวางแผนไว้ก่อนแล้วก็ฆ่าแล้วก็ป้นแล้วก็ทำความชัว่วอันนี้แปลว่าโทษหนะักเพราะอะไรมีเจตนามีเจตนามีคิด อยากจะทำและก็สำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาที่ตัวเองอยากจะทำแต่ถ้าว่าทำไปด้วยความไม่รอบคอบความซื่อบือ้อแต่เมื่อทำไปแล้วแต่มันผิดก็จริงอยู่เสียหายก็จริงอยู่แต่จุดนั้นเราก็ต้องมองดูว่าควรจะแก้ไขยังไงควรจะให้อาภัยอย่างไรในขณะที่ทำหลงลงไปแล้วนั้นนี่แหละ ถ้าว่าพวกเรามองกันในแง่เหตุแง่ผลมองกันในแง่ดีนะการอยู่ด้วยกันประเทศชาติบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขนะั้นลูกหลานแต่ถ้าว่าพวกเรามองกันในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลานะถ้าไม่ใช่พวกของข้าเนะนี่ยขำพันขมันมันก็ไม่น่าจะถูกนะจะป็พวกของข้าก็เถอะเป็นของเราก็เถอะแต่าทาถ้าทำความชั่วเลยนะเราก็ไม่ควรจะเอาไว้อีกเหมือนกัน ควรจะตัดออกอย่างแข้งขาตีนมือของเราเนี่ยจะเป็นลู ก, กตาของเราเถอะใครจะไม่รักลู ก, กตาใช่ไหมลูกตาของตัวเองอแข้งขาตีนมือของตนเองเนใ ะ, ะใครจะไม่รัก่ะใครจะไม่รักแต่มันเป็นมะเร็งเข้ามาแหละเราจะเอาไว้ไปเราไม่เอาไว้เราต้องตัดทิ้ง เพราะอะไรเพราะมันเป็นมะเร็งมันจะทํามันจะลุกลามเข้ามาหาตัวของพวกเรามันจะเข้ามาสู่ร่างกายถ้าเรารักร่างกายอยู่เราก็ต้องตัดทิ้งตัดขาทิ้งตัดแขนทิ้งนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองถ้าใครไม่ดีใครเลวทําไม่ถกูกอแล้วก็ต้องตัดต้องลงโทษ อันนี้เพราะอะไรเพราะกรรมชั่วเพนั่นหลักของพระพุทธศาสนาที่หลวงตาเคยยกให้ลูกหลานได้ฟังว่าอากคตังดุกตังเส้ยโยปัชชาตะปติทุกตังคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทำํำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วการที่กระทําลงไปน่ยกรรมคือกรรมกรรมคือการกระทำนีอ นั่นแหละเมื่อทำลงไปแล้วนะกรรมชั่วเหล่านั้นจะตามสนองจะตามให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เ, เมื่อเราไปทำนะกระาใจใช่ไหมไปตีหัวเขาเขากฉะใจอีกสักวันหนึ่งตำรวจมาจับก้มหน้าซ้ำงํามเลย่านความฉะาใจหายไปได้หมดมีแต่ทุกข์ใจไม่ใช่จะทุกข์ใจตัวตัวเองนะทุกข์ใจทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งวงศาคณาญาติด้วย ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงถ้าเป็นนักเรียนก็กลัวจะครูบาอาจารย์จะไล่ออกจากโรงเรียนอีกต่างหากเผอเพอจะเข้าคุกอีกอนาคตหมดไปอีกต่างหากนี่แหละกรรมชั่วอย่าทําะเลยดีกว่านะถ้าเราอดทนไปสัชั่วระยะหนึ่งมันก็เรื่อ ง, เ ร, องเราเมื่อเรื่องเราก็ผ่านไปแล้วก็จบไปนะถ้าเราขาดความอดทนซะอย่างเดียวเท่านั้นลูกหลานนะขันติคือความอดทนในคํานี้นะมัน ใช้ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะที่มาสู่วัดของหลวงพ่อให้มีความอดทนอดทนในการเรียนหนังสืออดทนในการดู้ด่าว่ากล่าวของครูบาอาจารย์อดทนต่อหมู่โตเพื่อนอดทนต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อครูให้การบ้านมาต้องต้องทําให้ได้คนอื่นยังทําได้เราจะไปหาติ ดูแต่โทรศัพท์ทั้งวีทั้งวันไม่รู้จักการเวลาเล่นแต่เกมอยู่ตลอดอนาคตของเรามื่บอร์ดนะลูกหลานนะลงตาเนี่ไปที่ไหน เ, เดินไปที่ไหนอยู่ในส น, สนามบินจะไปที่ไหนไหนเด็กนักเรียนก็ดีคนประมาณกลางคนเนี่ยโดยมาก เ, เอาโทรศัพท์มาเจาะอยู่ตรงหน้าอยู่ตลอดออไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเลยบางคนก็ติด จนไม่กินข้าวกินน้ําฮำนี่แหละหลวงพ่อวานะถ้าว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะนักเรียนทั้งหลายจะต้องร้อยในในการศึกษาในการเรียนรู้เพื่ออะไรเพราะสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าวิต่อหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของเราในขณะนี้คืออะไรเราต้องดูหน้าที่อันนั้นใช่เป็นส่วนประกอบเราก็ไม่ได้ว่าศึกษาไปอ เรียนรู้ไปอันนั้นส่วนประกอบแต่เราจะถือเป็นจิตจะลักษณะดูทั้งวีทั้งวันดูหนังฟังรําดูเรื่องราวต่างๆในโลกเนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะลูกหลานนะถ้าเราคิดดูซิเอาออเทอร์เราออกจากนี่ไปเดี๋ยวคนเราก็ดูเรียงเดี๋ยวก็ดูต้นต้นไม้เดี๋ยวก็ดูน้ําเดี๋ยวก็ดูปลาในน้ำเดี๋ยวก็ดูมดเดี๋ยวก็ดูตัวดูตัวบุ่งดูทั้งวีทั้งวัน เออเพราะมันเราเห็นนี่ใช่ไหมล่ะเออแล้วเราไม่ไดเรียนหนังสือเหรเราจะฉลาดได้ไหมเราจุดที่เราเรียนจุดที่เราจึงจะรู้นะีคือจุดไหนน่แหละให้รู้จักหน้าที่จุดนั้นนะ เ, เราต้องมองจุดนั้นแต่จุดอื่นนะเรามองเนะ่ยอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจมากจนเกินไปถ้าเราใส่ใจสนใจข้างนอกมากเกินไปการเรียนการศึกษาของลูกของหลานเนะียอ่อนร่อยนั่นะหน้าพิตกหน้ากังวลหน้าเป็นห่วงนะ เพรนั้ขอให้ลูกหลานทั้งหลายนะนี่แหละมาสู่วัดวัดหลวงตาหลวงตาของต้องแสดงความคิดเห็นให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังอย่างครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะอยู่ในโรงเรียนต้องตั้งอกตั้งใจสอนลูกหลานของตอนเองเพราะเราได้รับภาษีจากพี่น้องประชาชนมาให้เป็นครูบาอาจารย์เราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สดุด เพราะรเอเไรเพราะเราเได้รับความไว้วางใจแต่ถ้าเร า, าเกินเดือนมันน้อยออมันอยู่ไม่ได้วิ ธ, ว, ธวิธาย่างอื่นที่มันรวยกว่าในมีไหมไปสิออกไปสิออกไปทำหน้าที่นั้นได้ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามแต่ทุจริตทุสีอยู่ทำไมแล้วเมื่อตัวเองไม่ชอบแต่ตามไม่จริงหลวงพ่ออยู่เป็นพระ ลงพ่อลงปู่ลงตาอยู่ในวัดเนะี่ยลงพ่อคิดเออข้าราชการทุกหน่วยทุกเรล่าเนะี่ยถ้าจะว่าไปได้เปรียบได้เปรียบกว่าพี่น้องประชาชนคนทำมาหากินตามชนบทหรือตามในเมืองมากมายเพราะเหตุไรเพราะถึงจะเงินเดือนน้อยกว่าจริงอยู่แต่ผลตอบแทนมันมากแต่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลเขาก็ลดราคาลดครึ่งลดอะไรให้ทั้งหมด พ่อแม่เจ็บใครได้ป่วยเขาก็ลดให้อีกสามีภรรยาลูกของตัวเองก็ลดได้อีกมีหลายแนวลดเลือเกินเอเพราะว่าพอเราทําคุณประโยชน์ให้กับทางรัฐบาลนี่แหละคุณประโยชน์จุดนั้นเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเรามาเป็นชาวบ้านทีนี่เราไม่ได้ทําการทํางานเวลาเจ็บใขรได้ป่วยไปสิไปหาหมอมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะทีนี่เ อ, อเป็นหมืนมน่นๆเช่นแสนถ้าเป็นมะเร็งเน่ยโหตายเลย เบิกไม่ได้ต่างหากถ้าเราเป็นข้าราชการแล้วเป็นพวกที่ทํางานเกี่ยวข้องเขาจะมีส่วนลดต่างมากมายนั่นแหละจุดนั้นเราควรจะมองควรจะมอง อ, อม่ใช่ว่าจะมองแต่เงินเดือนที่มันน้อยๆท่านเองนะเราต้องมองส่วนรวมส่วนกลางส่วนจุดนั้นนะ่ะจากนั้นก็เราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในเมื่อเราทําเมื่อเป็นข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเรา เนี่ยหลวงพ่อมาท่านหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อเนะลยลวงพ่อจะเตือนบอกกล่าวลูกหลานทุกคนนะไม่ใช่แต่เตือนข้าราชการตนพระหลวงพ่อก็เตือนอย่างนี้เหมือนกันอย่าลืมตัวนะพระนะอยู่นสถานที่ใดเราบิณฑบาตมาฉันเราจะมาพูดแต่เรื่องงเรื่อโลกเรื่องสองสารไม่ได้นะเราต้องพูดเรื่องธรรมะศึกษาเรื่องธรรมะคิดเรื่องธรรมะปฏิบัติตามธรรมะทำคําสอนนี่หลวงพ่อก็สอนนะ แล้วก็เป็นข้าราชการก็มเหมือนกันหลวงพ่อเคยถามพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวเนาะให้ถามตนเองว่าอยู่เสมอว่าถามตัวเองถ้าคนอื่นถามบางทีจะโมโหให้เขาให้ถามตนเองว่าถ้าเป็นเงินของเราเนเราจะกล้าจ้างเราไหมที่เราทำงานอย่างนี้ให้ถามอย่างนั้นกระิบถามตัวเองนะถ้าเราทำงานทุกวันอย่างนี้หนะ่เดือนวันหนึ่งเท่าไหร่ ทุกคนไม่เหมือนกันถ้าหาว่าเป็นเงินเดือนถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมที่เราทำงานอย่างนี้บางทีไม่ได้ทำอะไรเลยเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็ได้เงินเงินเดือนนะั่นแหละสิ่งเหล่านี้นะพวกเราทุกทุกท่านถ้าว่าถามตนเองอยู่อย่างนี้นะหน้าที่การงานจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเคี่ยวเข็นตัวเองออใช่ถ้าหาว่าเราทาอย่างนี้ ล้วก็เอาเปียบชุมชนสังคมกินเงินของเขาปเปล่า เ, าเสียเงินของเขาเงินภาษีของเขาเนะนี่ยแหละเสียงเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆกท่านที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะให้อโอปนายโกน้อมนาไปประพฤติปฏิบัติน้อมไปคิดพูดง่ายๆให้ไปคิดหลวงพ่อสอนให้คิดนะไม่ใช่สอนให้โกรธไม่ชนไม่ใช่สอนให้บีบราทาเล่น กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เข้ามาไม่ใช่หลวงพ่อสอนเป็นกลางกลางนะธรรมะเนี่ยเป็นของกลางนะพูดให้ฟังเป็นของกลางจากนั้นพวกเรานําไปคิดดูซิมันจริงไหมถ้ามันจริงเออใช่มันจริงในหว่าจริงเราก็ปรับปรุงแก้ไขไกายวาจัใจของเราให้เป็นคนดีขึ้นมานะเมื่อเป็นคนดีขึ้นมาเราอยู่ในชุมชนสังคมมากต่อมากมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขท่วนหน้ากันเพราะอะไรเพราะต่างคนก็ต่างประกอบคุณงามความดี เพ่งมองไปในทางที่ดีด้วยกันแต่ถ้าว่าผู้ที่อยู่ด้วยกันแต่อยู่ในชุมชนสังคมแต่ทําตนไม่ดีอันนั้นปร ะ, ประเภทที่ว่าเอาเอาขาลาน้ำคนโบราณเขาว่าคนอื่นเขาตั้งใจพายเรือตัวเองเอาขาลาน้ำทำให้เรืออืดเรืออืดเรือไม่ไปไม่ถึงที่ไหนนะเพราะเอาขาลากน้าไปหมดนี่แหละ พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอันนี้คือคดีโลกนะคดีโลกโลกเป็นอยู่ด้วยกันต้องอยู่อย่างนี้คดีธรรมคดีธรรมกันปรปับปรุงกายวาจาใจของเราสิ่งไหนที่มันดีค่อยทำสิ่งไหนที่มันไม่ไดีอย่าททำไม่ถึงร้อยปีตายค ด, ด, ดีธรรมน ะ, นะเห็นไหมคนตายเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมอย่าลืมตัวมากจนเกินไปอีกสักวันหนึ่งนะตายแน่ๆนะนะ หลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินต้องตายแน่ๆนะแต่ได้ยินแตไปเผาคนอื่นเขาไ ป, ไปชมคนอื่นไปไปเทศในงานศพของคนอื่นเขาอีกสักวันนะหลวงพ่ออินจะได้ยินขา่าวหลวงพ่ออินตายนะจะต้องได้มาเผานะนี่แหละถ้าเรานึกอยู่ในจิตใจอย่างนี้เราอยู่นิสสัานที่ใดเราจะไม่ลืมตัวจรจิงไหนคือคุณงามความดีควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสังสมคุณงามความดี ในเมื่อคนที่มีคุณงามความดีตายไปคนก็ยังยกย่องเชิดชูตัวเองก็นะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติไปกดไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าสวรรค์ชั้นผรมเพราะคนดีตายแล้วไม่สู่นะลูกหลานนะหลักของพุทธศาสนานะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะในเมื่อตายไปแล้วนะร่างกายนี่ใช่เผาไฟทิ้งแน่นอนแต่ดวงวิญญาณคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนั้นนะ่ะออกจากร่างไปแล้วนะ่ะ นั่นแหะบุญกับบาปท่านั้นได้จะเป็นเพื่อนสองนะเนี่ยจะติดตามดวงจิ ต, จ ต, จ ต, จตดวงใจดวงนั้นไปถ้าว่าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วนะ่ะเหมือนขัตถาน่ะหลากลงไปนรกก่อนตกนรกซะก่อนจากนันก้นมาเกิดเป็นสัตว์ที่ฉันช้างม้าโควายหมูม้าเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นพอดวงใจดวงนั้นพอทําบาปนะถ้าใจดวงนั้นทําบุญพอเกิดพอตายออกจากพบหลุดหลุดออกไปจากภพนิชาตินี้เนะ่ย เรามีบุญเราจะไปหาเลือกเกิดก็ได้เอ้ยเกิดเกิดชาวนี่เราเป็นชาวนาวไปหาเงินยากเหลือเกินเกิดข่าวหน้านเราจะไปเกิดกับลูกเป็นลูกเศรษฐีว่นะเราไปเกิดที่ไหนก็ได้พอเราพ อ, พอเรามีบุญนะจากนั้นเอ้ยเรายัางยังไม่เกิดแล้ววะเราจะไปอยู่ไปสู่เป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าก่อนไปสวยความสุขไปสวยบุญกุศลที่เราได้ทาไว้ก่อน อในเมื่อมีโอกาสแล้วค่อยจะลงมาเกิดเลยเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละคนมีบุญนะอถ้าว่าคนมีบาปมันเลือกเกิดประด้แล้วลูกหลาน่ะนะเหมือนกับคนไม่มีเงินไปอยู่เมืองอุดรกันใช่เขาอยู่กินดีมีสุขนะแต่ตัวเองไม่มีเงินไปหาเถียเกียร์ทั้งขยะกินนะพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มีเงินเพราลอะไรอันนี้ก็เหมือนกันะคนที่มีบุญไปเลือก ไปอยู่ในสถานที่ใดจงจะโรงแรมชั้นไหนก็ได้ไปพักได้สบายเพราะอะไรเพราะมีเงินถนะ้าคนไม่มีเงินกันนะ่ะอยู่ที่ไหนก็ลําบากนี้ก็เหมือนกันนะท่านจึงว่าเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบคุณงามความดีแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอให้ประกอบคุณงามความดีไว้เนอบุญกุศลเป็นนามวัตถธรรมแต่มันจะไหลเข้าสู่จิตใจใจของเรามีบุญแล้วไปอยู่อยู่ในสถานที่ใดดีทั้งหมดมีความ ร่มเย็นเป็นสุขนะวันนี้หลวงตาได้พูดแนวความคิดให้ลูกหลานได้ฟังหลายหลายหลายรสหลายชาตินะตอนนี่ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในเสน่ห์นะ